بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اشمعين سبحانك لا علم لنا عل إلا ما علمتنا إنك أنت العالم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو ل ق د ت من لساني يفقه قولي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا و ت ر, ر ح م ن ا ا ن กห ن า ن น้ามันล่าสิรินรับบานาตินาในตุนยาพัสนะว่า ن นอัคราพัสนะว่ากินอา ل าบานาทั้งหมดทั้งหมดทั้ง ا มดทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทหมั้งหมดททั้งหมดงหมดงมั้งหมด เราจะมีอุปสรรคบ้างนะครับในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องส่วนตัวเรื่องการเรียนการสอนของเราแต่ก็เรายังไม่ได้ออกไปจากความเมตตาหรือความกรุณาปรานีความเอ็นดูของ Allah سبحانه แลา تعالى แต่อย่างใดทำกลางความทุกข์และอุปสรรคต่างๆเราก็ยังสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้นะครับ ยังยิ้มได้อลฮัมตูลินละก็สองสัปดาห์นะครับที่ไม่ได้มาหลังรายยอก็มาแค่ครั้งเดียวนะครับรู้สึกว่าจะจะป่วยยาวนะจะยังไม่ยอมหายดีนะครับช่วงนี้อากาศก็ครับหลายๆคนก็ป่วยกันนะครับอลฮัมเลยละ อย่างไรก็ตามนะครับหัวใจของเรา ก, ก็ยังอยู่นะครับกับฮะลกฮะดับบล์ฮะลกะอัลกุรอานซึ่งเป็นสถานที่ที่เรานั้นหอยหาอยู่ตลอดเวลานะครับเป็นความเรียบง่ายที่เราหายากนะครับจากจากทั้งหมดทั้งปวงที่เราเห็นในกิจกรรมในชีวิตของเราเนี่ยเรารู้สึกว่า อันที่เราได้มานั่งพบปะพร้อมๆกับการได้มาพิจารณาไคร่ครวนคัมภี์ของล่องสุภาพรานะครับนั้นมันเป็นเป็นไฮไลท์สําคัญในชีวิตของเราเลยทีเดียวนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์รับบิลอาลามีศุราตุลมุดดัสซิรได้ผ่านไปแล้วนะครับครั้งหนึ่ง พร้อมกับการที่เราได้เกิดนำได้พูดถึงสุราห์นี้ไปแล้วนิดหน่อยนะครับอิชชาอัลล์วันนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อกันนะครับเลยครับสุราตุลมดดษร أعوذ ب ا ل بسم الله الرحمن الرحيم บิสมิลลาฮิ р р ن х м а н и р р а أيها ا ل م د ِّ ر قم فأنذر <ت ص في ق> و ะรับเคนเฝ้าคับบิรว ا นศَยาเคน و ฝ ا าตั้หิร จะตื่นว่ารับคุณจะตื่นว่าร ا บคุณจ فذلك ลิคยูมไอ و ดียูมน ك ا งซีَ์ฟะดะลิคยูมไอ้ด ا ยูมนั้งซี ي, ي ์ ذرني ومن خلقت و ح ي د ذرني وجعلت له ما لم مددا، وبنين شهودا. วَ่ د ْ ت ُ له َ تمهيدا ثم َّ يطمع ََُ أن َ أزيد كلا َ เขาเป็ ا ลีอาติลีิลลีอ สุระต์ลมดดซ์ร์รับแล้วนะครับว่าส AH e AH ุระนี้เป็นสุระรักแรกที่ประท่านลงมายังท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลละสลัมเป็นหลักสูตรของการสร้างตัวตนของท่านนาดีเป็นสุระผู้แฝงกับสุระอุลุซัมมินถึงแม้ว่าสองสุระนี้จะลงกันในแต่ในในบริบทที่ต่างกันแล้วก็ห่างกันนะครับไม่ได้ไม่ได้ลงมาพร้อมกันแล้วก็ไม่ได้ลงมา ติดติดกันแต่ว่ า, าลักษณะของโรห์เนี่ยมีความคล้ายคลึงกันมากโดยเฉพาะการเรียกขานของล่องสุภาอาาราต่อท่านนบีมูฮัมมัดสุลตัลลนะครับเป็นการปลอบโยนยเป็นการให้กำลังใจเป็นการาโคช้ชเขาเรียกว่าโคชชิงอาสาสมัยใหม่การเป็นโค้ดอ่ะเข้าใจหมครับนักบอล น, นักมวยอ่ะมันต้องมีโค้ดก่อนที่จะไป ต่อยเขาเนี่ยถ้ามีโคตดีก็ต่อยได้ดีนี่คืออัลลอฮ์สุภาต่างตะแหลเป็นโคตรใกับทีนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุาลฮิสแลมในการทำน้า hey ที่ e. E อินดารนะครับ ق و เฟันรในสุราอัลมุซัมมินันะครับอุมในลลิอาิลากะลีละสร้างฐานของจิตวิญาณในขณะที่สุราตุลมุดดิศเป็นการสร้างฐานของการเคลื่อนไหวของการทำงานนะครับ ตั้งแต่อายัดที่หนึ่งถึงอายัดที่เจเนี่ยอันนี้คือกลุ่มอายัดที่น่าสนใจเพราะมันเป็นคำสั่งที่รวบรวมการก <c oughs> ารเทรน์การฝึกของ Allah Subhanahu ะ a t a าให้กับท่านนบบีขอมระศรีละห์มาเลวะสัลลัมนะเขาเรียกว่าเป็นพื้นฐานเป็นคุณลักษณะพื้นฐานของดาอย ค, คุณลักษณะคุณลักษณะพื้นฐานของคนที่จะทำงานคุณจะต้องมีไอ้นี่นะครับต้องผ่านหลักสูตรของสุรศิลป์ดัชนีมีอะไรบ้างครับอ่าหนึ่งะฟะอันซิร์ุมฟะอันซิร์เนี่ยอันนี้อันนี้อาจจะเป็นคำสำั่งในภาพรวมแต่ว่าหลังจากที่บอกว่าจงออกไปทำหน้าที่ในการอินซาร์ก็คือการตักเตือนเราบอกแล้วนะครับว่าอินซาร์ก็คือเตือนในเชิงอะไรฮะ เชิงบวกหรือว่าเชิง enza เนี่ยบอกอะไรบอกสวรรค์หรือว่าบอกนรกรนะ e n z มันมีอยู่สองอย่างบชีรกับนาซีรใช่ไหมครับบชีรหมายถึงแจ้งข่าวดีแต่ท่านาซีรหมายถึงแจ้งข่าวที่เกี่ยวข้องกับการลงโทษเกี่ยวข้องกับการที่อัลลอฮฺ سبحانه ะะและอ ع ا น, นั้นเตรียมอาญาให้กับคนที่ปฏิเสธศรัทธา พราะฉะนั้นคําสั่งเนี้ยอุยลามะบางคนอธิบายว่ามันเหมาะสมเพราะว่าถ้าให้ท่านนาบีมาแจ้งข่าวดีเนี่ยมันไม่เหมาะสมเพราะสังคมมักกะตอนนั้นเป็นสังคมแบบไหนเป็นสังคมที่เต็มไปไ ด, ด้วยมอกเสยียดเป็นสังคมที่เต็มไปได้วยคนโฉดคนชั่วคือมาบอกเรื่องสวรรค์เรื่องอะไรนี่คนอาจจะไม่กลัวไม่ใช่ไม่หยุดไม่ยอมศรัทธาะฉะนั้นต้องบอกเรื่องนรกว่นาน س ب ح นะครับ จะ enzaar ยังไงจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะวารบบักกับฟักกับเบรอันนี้คือพื้นฐานเลยต้องมุ่งเป้าหมายไปที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ต้องปัดหลักเอาไว้เป็นลำดับแรกเลย enzaar เพื่ออัลลอฮ์ไม่ใช่ enzaar เพื่อตัวเองไม่ใช่ enzaar เพื่อให้อัลลอฮ์เป็นใหญ่ แม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเจตนาอัลลอฮ์ต้องเป็นใหญ่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเนื้อหาในการอินซาร์ก็ต้องให้กลัวอัลลอฮ์ไม่ใช่ให้กลัวคนทําหน้าที่อินซาร์ไม่ใช่กลัวฉันเนี่ยไม่มีกลัวอัลลอฮ์อันนั้นคือหน้าที่ของคนทํางานไม่ใช่เราไปบอกให้เขากลัวหรือไปขู่เขาให้เขากลัวเราไม่มีมัลลีทุกคนไม่มีคาสั่งให้กลัวตัวเอง ให้กลัวล l l a h ฟัดตะกุ Allah อันนี้ใช่ไหมครับเราเรียนแล้วในสุรษูรษนู้ใช่ไหมฮะนะให้กลัว Allah นี่คือความหมายของรบบักะฟะกะบิดตัวเราเองก็ต้องกลัวล l l a h กลัวอย่างอื่นไม่ต้องกลัวนะเวลาที่เราทําหน้าที่ในการด่ววาวะเนี่ย Allah ลลเป็นใหญ่คนที่เราไปด่ววาวะนี่เขาจะมาทําร้ายอะไรเราเนี่ยถ้าหากเรามี Allah เราก็จะไม่กลัว นี่คือความหมายคำว่าอัลบะกะฟะกะบิรมันไม่ได้หมายถึงว่ากล่าวตักบีอย่างเดียวนะแต่มันหมายถึงการให้อัลลอ์เป็นใหญ่วะซิมหตาซิมตซิมอัลล์หมายถึงให้อัลลอ์เป็นใหญ่ด้วยการตาัฮีต่อพระองค์ด้วยการอิสลาษต่อพระองค์ต้องจาเอาไว้นะครับเวลาที่เราทางานอย่างนี้โดยเฉพา ะ, ะ ด, ดูดูดูชีวประวัติของท่านนาบีสุลต์ละฮ์นะอัลสลัมพี่น้องลองคิดดู พวกกเรเชมีมีเป็นสิบแล้วพวกวโจมทั้งนั้นเลยถ้าเป็นเราเรากล้าไหมที่จะไปเผชิญหน้ากับบรรดาเขาเรียกว่ า, าคนที่เป็นเสนาบดีเป็นระดับอํามาตย์ในสมัยนั้นเป็นระดับอย่างในในสุราห์นี่จะพูดถึงอัลวาลีอิบลโมกีระ์ะมีคู่ปรับที่เราเคยเรียนแล้วในสุลตูกลามด้วยคนระดับที่ คนในมักกะนี่ให้เกียรติคนใหญ่คนโตในมักกะแล้วเราเป็นใครมาจากไหนท่านับีมุฮัมมัดสุลลัลฮะเัลลัมเป็นเด็กมีอวโสมีความอาวโสน้อยกว่าแต่ต้องไปพูดกับคนพวกนี้ถ้าไม่มีอัลล์ในสุร่าอิสราอร์ตล่นะครับที่บอกว่าอักัตคิดเตทร์คันุอิเลห์มเชยอันกัลิล ถ้า Allah ไม่ทรงทำให้เจ้าได้ยืนหยัดเนี่ยแน่นอนว่าท่านนั้นมีมุฮัมมัดเนี่ยบางทีอาจจะโอนโอนอ่อ น, อนไปตามคำพูดของบรรดาคนกฟเฟรนะอุบ ہ, ัตะแต่ว่าเพราะมี Allah มีฟคับบิมีวรบบกับฟับบิลเพราะ Allah เป็นใหญ่ที่สุดในหัวใจก็เลยไม่กลัวใครทั้งสิน้นแล้วก็ทำเพื่อ Allah จริงๆถ้าตรงนี้ถูก เก้าแรกของเราถ้าเราวางเอาไว้ได้ถูกต้องไม่ใช่หรแต่ว่าอันนี้แหละที่เราส่วนใหญ่จะอ่อนแอเพราะอ่อนแอกับอัลลอ์เราอ่อนแอในการเต้ฮีในการที่ยึดมั่นกับอัลลอฮ์ุบฮาวต์ะละมันพลอยงานของเราก็อ่อนแอตามไปด้วยแล้วขอรับละโวตอิละาบลละวาซียาบกะฟตะฮิรให้ทำความสะอาด เสื้อผ้าถ้าแปลตามตรงก็คือเสื้อผ้าจริงๆแล้วความหมายคํงว่าเสื้อผ้าตรงนี้เนี่ยมันเป็นไปได้ทั้งสองความหมายนั่นก็คือหมายถึงหัวใจด้วยในเรื่องของนมามธรรมข้างในแล้วก็ข้างนอกภาษาอับกฤเขาจะใช้กันทั้งสองแบบนะครับหมายถึงให้ทำความสะอาดหัวใจจากจากความรู้สึกที่ตรงกันข้าม กับสิ่งที่เป็นความดีงามและภายนอกก็จะต้องดูดีภายนอกก็จะต้องสะาคนจะได้นะครับจะได้มีเขาเรียกว่าแรงดึงดูดในการที่อยากจะมาฟังคำพูดของเราหรืออะไรของเรานะครับดูการกระทำของเราเขาเรียกว่าด่าวัตุบิลฮมันจะมีเขาเรียกว่าแค่ดูก็รู้สึกติดใจสูตรนี้เนี่ย อันเนี้ยมันน่าสงสารตรงที่ว่าสูตรวาเซียาบาาาักฟอตเอลเนี่ยคนอื่นเอาไปใช้เถอะคนที่อยู่กับเขาเรียกว่าอยู่กับความบาปเตลที่อยู่ตรงกันข้ามกับสัจธรรมเนี่ยเขาจะดูดีข้างนอกแต่ข้างในเนี่ยอะยังไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีแต่ดูข้างนอกเนี่ยโอ้โหคนมันติดละ ต้องต้องต้องต้องสมาร์ไว้ก่อนให้คนติดไว้ก่อนนะอัลลอฮุบิลลัฮ์มันแยเลยอันนี้คนที่ไม่ได้อยู่บนเส้นทางของสัจธรรมเนี่ยเอาจิตแต่วิทยาในเรื่องนี้ไปใช้เยอะใช่ไหมครับไม่ว่าจะพวกที่เรียกว่า د อ ا ء จนอัลลอฮฺบวาบิจฮนันนะ <c oughs> พวกมุนาฟิกุน <c oughs> พวกมุนาฟิก พวกมนาฟิกนี่ลอลาวยังไง و إ تعجبك ج س ا م ه م เะ ق و ل ี่คือพวกมนาฟิกพวกมนาฟิกเนี่ยเอาสูตรนี้ไปใช้เวลาที่เราเห็นรูปร่างหน้าตาเราเห็นการแต่งกายเราเห็นการเป็นอยู่อยู่หูรู้สึกแรงขาม รู้สึกเครียดนะมีอะไรนะตบะใช่ไหมรู้สึกตะบะมีตบะเวลามันพูดเนี่ยโอ้โหเสริมสุภานัลนแหละในขณะที่คนที่ยืนหยัดอยู่บนสายจะทำเนี่ยดูไม่ได้เลยสุภานัลนแหละดูไม่ได้เลยต้องต้องดูแลด้วยนะครับเรื่องภายนอกเหมือนที่ท่านน บ, บีสุลตลานท่านเป็นคนที่เราเขาถ้าเพอร์เฟกหมดทั้งข้างนอกแล้วก็ทั้งข้างใน อันนี้คือเป็นปัจจัยที่มีผลหรือทรงอิทธิพลทรงอะไรนะทรงทรงหรือว่าทรงทรงอิทธิพลอะทรงอิทธิพลมันมันนาเสียงนะระดับเสียงมันอะไรทรงอิทธิพลหรือว่าทรงอิทธิพลทรงอิทธิพลทรงอิทธิพลต่อการที่จะทําให้คนอื่นเนี่ยอยากจะฟังคําพูดของเรา นะครับเขาเรียกว่าอันดะวัจุบินแห่กันดาวะด้วยท่าทางหรือว่าด้วยรูปลักษณ์ของเราก็าอาจจะมีผลด้วยนะครับวรรจ za فحجر วรรจ za อรรจ za หมายถึงมีความหมายหลายความหมายที่บรรดานักทฤษฎีได้อธิบายแต่ว่าโดยรวมแล้วหมายถึงสิ่งที่เป็นมัศยาทั้งหมดและแน่นอนว่ามัศยาที่อยู่ท็อปเลย ตัวท็อปที่เป็นมัศเยาะตัวท็อปคืออะไรชิริกชิริกซึ่งรวมทั้งบรรดาการเคารพรูปปั้นทั้งหลายเนี่ยก็อยู่ในนี้ทั้งหมดเลยว่ารุษะฟะจุตและก็รองลงมานะทุกอย่างที่เป็นความผิดที่เป็นบาปทั้งหมดเนี่ยบรรดาคนที่ทํางานเพื่ออิสลามไม่ใช่ว่าไปสอนคนทําดีแต่ตัวเองนั้นยังคลุกเคล้าอยู่กับในอาจม เขาเรีในอาจมของมัสธิยัตในอาจมของอบบายมุกเราจะเป็นไรแแล้วใครจะมาฟังเราใครจะมาฟังเราใครจะเชื่อถือเราเราจะเป็นไะรนี่คือสิ่งที่นะครับต้องระวังแล้วก็ลอสส์วาลต์เาก็ได้สัง่งท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสซลลัมซุบฮานัลลอฮ์ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยสลลัลลอฮุอะลัยฮิสซลลัมตั้งแต่เล็กมาจนกระทั่งได้เป็นนบี a l ล a h سبحانه และปกป้องท่าน ไม่เคยนะครับไม่เคยกราบไหว้รูปปั้นแม้กระทั่งก่อนที่เป็นนบีก็ไม่เคยกราบไหว้รูปปั้นก็ให้บริสุทธิ์จริงๆอันนี้เป็นการปกป้องอัลลอฮฺสุบฮานาอุตสฺลาจริงๆถ้าเราดูเอ่อเขาเรียกว่าการเตรียมพร้อมการเตรียมคนนะอัลละฮฺสุบฮานาอุตสฺลาเตรียมท่านนบีของเราสัลลัลลอฮฺอะลัยฮิสซาลาฮฺตั้งแต่ยังไม่เกิดคือต้องการให้ ห้ออกมาบริสุทธิ์จริงๆทั้งในเรื่องของชาติตระกูลทั้งในเรื่องของนิสัยใจคอคุณลักษณะทั้งหมดเหมือนกับเราลาบกป้องมาตั้งแต่นู่นตั้งแต่ก่อนที่ยังไม่ได้เป็นนบีมาเลยไม่ให้มีรอยเ้าเรียกรอยด่างสักนิดหนึ่งแต่พี่น้องครับขนาดคนที่ perfect เหมือนกับ Muhammad ص ل ล ا ل ฮ ه ع ل ي ัลลัม ตอนที่ไปไดวาวเนี่ยยังโดนแรงกระเพื่มกลับมาขนาดไหนต้องลองคิดดูแล้วเราอะ่ะนี่จะบอกว่าความสำคัญของการที่ต้องดูแลตัวเองให้มันบริสุทธิ์จากบาปก็ดีจากนิสัยใจคอที่มันไม่ดีก็ดีเนี่ยดีอย่างท่านอบ ม, ะละละมุฮมดุลลอลฮัลลัมยังมีคนยังมีคนขอตา้เพราะฉะนั้นเราจะบอกว่า เรไม่ต้องดีก็ได้มันไม่ได้นะครับมันต้องดีต้องดีถ้าทําหน้าที่นี้จะต้องเป็นต้องปรับตัวเองให้เป็นคนดีก่อนที่จะไปนะครับไปพูดหรือว่าไปทําหน้าที่ถึงแม้ว่ามันจะดีไม่หมดก็ตามยังยากอยู่เราบอกว่าเราี่ยจะให้ดีร้อยเปเนเนี่ยมันก็ยังยงั้นก็ไม่ต้องทําก็ไม่ใช่นะครับแต่จะบอกว่าต้องปรับตัวเองอยู่ตลอดเวลาเราบอกแล้วอะไรนะ good action ด้วย นะ o d Action ก่อนก่อนที่จะ o o ดเรลชั่นเนี่ยต้อง Good Action ต้องปรับตัวเองอยู่ตลอดไ้เลยนะเพื่อที่จะได้ไปทำงานอย่างมีความรู้สึกมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองนะพูดในสิ่งที่ตัวเองบอกคนอื่นไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาพูดอะไรไปก็ไม่มั่นใจเพราะตัวเองก็ยังถุกผักถุกักอยู่ใช่ไหมครับเห็นไหมคือคำสอนแต่ละข้อเนี่ยมา่งัลล ต่อไปนะครับว่ลาตัมนุนเตสตักซิรและเจ้าอย่าได้เขาเรียกว่าให้เพื่อต้องการผลตอบแทนที่มากกว่าจริงๆแล้วอายัดนี้ความหมายเนี่ยมันออกมาหลายหลายหลายเขาเรียกหลายแนวในการอธิบายบางคนก็อธิบายว่า นะม า, าดูอดูสักนิดหนึ่งบนคนเขาอธิบายว่ายัางไงครับความหมายว่า و ل า تمنون อ ل ى الناس بما أصديت إليهم من النعم الدينية تواتون ياويا หมายความว่าเจ้ า, า, าอย่าล้าเลิกเขาเรียกว่วาล้าเลิกหรือเปล่าก็คือทวงทวงบุญคุณอนเวลาที่ท่านนาบีทาเวลาที่ทําดีเวลาเวลาที่เราทําดีกับใครแล้วเนี่ยแล้วเราไปล้าเลิกบุนคุณไปทวงบญคุณกับเขาเพื่อให้เขาเนี่ย ฟังเราเพื่อให้เขาเนี่ยเชื่อฟังเราเพื่อให้เขาทำดีกับเราตอบกลับเนี่ยไม่มีนะ น, นี่ไม่มีซึ่งมันมันมันค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากกับพฤติกรรมหรือว่ากับนิสัยของเราในความเป็นจริงในสังคมทุกวันนี้เวลาที่ทะเลาะกับใครแล้วเนี่ยเรามักที่จะแต่ก่อนเก่าเนี่ยใช่ไหม มันเคยอยู่บ้านบ้านบ้านเรานี่นี่เคยกินข้าวหม้อเดียวเริ่มเริ่มและเริ่มเริ่มที่จะลำเลิกบุญคุณแบบนี้เนี่ยอัลลอฮลาหามท่านนบีลลัลลอฮสัลลัมถ้าสมมติว่าเราไปลำเลิอกอย่างนั้นแล้วเราเกิดอาการเสียใจขึ้นมาเราให้เขาแล้วเราหวังที่จะให้เขาฟังเราอุตส่าห์ทำดีกับเขาอย่างน้นอย่างนี้แต่เขาไม่ฟังเราแล้วเรามานั่งเสียใจมันจะมีประโยชน์อะไร เพราะฉะนั้นต้องตัดความรู้สึกนี้ออกให้แล้วไม่ต้องหวังว่าเขาจะให้เรากลับไปรอรับที่ไหนนู่นไปรอรับในวันอัคราสซึ่งผลตอบแทนในวันอัคราสเนี่ยมันจะต้องเยอะ ก, กว่าที่คนเหล่านี้จะให้เราอย่างแน่นอนอันนี้เป็นหนึ่งในจนํานวนความหมายในจนํานวนความหมาย อ, อีกที่เขาบอกว่านะจะบอกว่า <c oughs> وقد قيل إن معنى هذا لا تعطي أحد شيئا و أنت تريد أن يكافئك عليه بأكثر منه หมายความว่าอย่าให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อหวังที่จะให้คนคนนั้นเนี่ยให้สิ่งที่มากกว่าให้กับเราเราเคยเห็นไหมครับสมัยก่อนเนี่ยหรือสมัยนี้ก็ตามแตเ่เวลาที่เราไปหาคนใหญ่คนโตสมัยก่อนใช่ไหมครับไปคนเวลาที่เข้าไปหากษัตริย์ ไปหาผู้ปกครองเจ้าเจ้าเจ้าเมืองเอาอะไรไปเอาเอามะม่วงไปเอามะพร้าวไปให้เอาไปให้เจ้าเมืองเอาไปให้กาญจยอไม่ก่อนใช่ไหมครับหวังผลไหมเอาไปให้ฟรีฟรีไหมไม่หรอกที่เอามะม่วงไปให้ที่เอามะพร้าวไปให้เนี่ยเพื่อที่จะหวังใกล้ชิดกับกับเจ้าเจ้าเมืองเคยเห็นไหมครั สมัยนี้ก็เหมือนกันไปหาใครไปหาเสียเอากุ้งไปให้เสียกุ้งตัวโตตๆปลาตัวโตๆที่หาได้มาจากทะเลเนี่ยไม่กินเองของที่กินเองนี่กินตัวเล็กๆตัวใหญ่ๆเอาไปให้ใครเอาไปให้ในหัว <laughs> หวังอะไรหวังอะไรจากในหัวอันนี้คือหนึ่งในจํำนวนความหมายหัวละจำนุนแต่ตัตกซิีหวังผลไม่มีนะครับ سبحان อัลลอฮ์ เวลาที่ <c oughs> เราหวังผลจากคนอื่นอย่างนี้นี่มันจะมีปัญหาโดยเฉพาะคนที่ทำงานเพื่อศาสนามันกลายเป็นว่าเรากลายเป็นเฉลยกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรกลายเป็นลูกหนี้บุญคุณของคนอื่นอันนี้น่ากลัวเขาบอกว่าคนเราเนี่ยจะมีอยู่สามสถานะเป็นอามีเป็นอซี ร, รหรือเป็นน اظ ีร นี่เป็นภาษาลาบนะเดี๋ยวแปลให้เวลาที่เราให้ของคนอื่นเนี่ยเราก็จะเป็นอามีเข้าใจไหมฮะเวลาที่เราให้คนอื่นเนี่ยเราก็จะเป็นเจ้าเป็นเจ้านายใครๆก็เรียกว่าเรานายหัวนายหัวนายหัวเราสั่งอะไรเราเพราะเราเป็นคนให้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารับจากเขาคนเอามาให้เราอะ่ะเราก็รับรั บ, ร บ, รบเราเป็นอะไรฮะเราเป็นเจ้านายอีกต่อไปไหมไม่ละ เราเป็นอาซีดอาซีก็คือเฉลอยอยู่ในกามือของเขาแล้วทำอะไรนี่ถ้าเขาทำผิดเราจะไปเราจะกล้าไหมที่จะไปเตือนเขาวิ่ยไม่กล้าเตือนว่ะทำไมอ่ะกูติดนี้บุญคุณมันเห็นไหมอันนี้คนทั่วไปก็มีปัญหาแต่ถ้าเป็นระหว่างอุลามะกับชาวบ้านนี่จะยิ่งมีปัญหาคนเป็นโต๊ะครูแต่รับจากชาวบ้านตลอดอะ่ะ เวลาเวลาเวลาอะไรนะชาวบ้านทําผิดอะไรสักอย่างหนึ่งมาถามต๊ะครูต๊ะครูอันนี้ทําได้หรือเปล่าอันนี้ผิดไหมโต๊ะครูไม่กล้าตอบ <laughs> มันมีเรื่องตลกอยู่พวกเราเคยได้ยินหรือเปล่ามันมีเรื่องตลกที่บอกว่าต๊ะครูสมัยก่อนไม่รู้เป็นเรื่องจริงว่าเรื่องโกหกนะมีชาวบ้านมาหาต๊ะครูมาหาโต๊ะครูก็ถามว่าเออโต๊ะครูอันนี้กินได้ไหมโต๊ะครูก็บอก บอกว่ า, วาเออไม่น่าจะกินได้นะไม่ฮัลล้าอะไรอย่างเงี้ยคนที่มาก็บอกว่าอ๋อไม่กลัวกินได้ไม่งั้นจะให้โตะครูสักหน่อยโต๊ะครูก็บอกอยังไงไม่เป็นไรเดี๋ยวดูไปเดี๋ยวกลับไปดูหนังสือเล่มสีเขียวก่อนว่าได้ไหมได้หรือไม่ได้อันนี้ก็เรียกว่าอะไรนี่คือคนที่เป็นลูกหนี้หรือเป็นคนที่มีอะไรนะเป็นหนี้บุญคุณกับคนอื่นนี่เราก็จะเป็นอย่างงั้นแหละ ฉะนั้นอันลลอฮฺทรงตัดเลยตัดกับท่านนาบี Muhammad เลยไม่ให้เป็นหนี้บุญคุณใคร س ุ ح ا ن อัลลอฮฺแล้วก็ในประวัติศาสตร์ของท่านนาบีนี่ท่านนาบีไม่เคยเป็นหนี้บุญคุณแม้กระทั่งเวลาที่ท่านรับฮาดียะท่านนาบีของเรานี่จะไม่รับซาดะกะอัลอลอฮฺห้ามซาดะกะสำหรับท่า น, นาบีรับฮาเดียะได้แต่ทุกครั้งเวลาที่ท่านรับฮาดียะท่านจะต้องตอบแทนคนที่ให้ฮาดียะเนี่ย ด้วยสิ่งที่เยอะกว่าและก็ดีกว่าเพื่อกลบเขาก่ากลบหนี้บุญคุณไม่ให้คนอื่นมีหนี้บุญคุณกับท่านเพราะจะลําบากใจเวลาที่เราเป็นหนี้บุญคุณแครนี้เราจะลําบากใจเราจะพูดอะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะแม้กระทั่งเวลาที่ท่านฮิจร์รอตอนที่ท่านฮิจร์รอไปมาดีนะั้นซีนีน่าอบูบักก์รดิอัลลอฮ์อัลอฮ์เตรียมปูดไว้สองตัว เตรียมไว้พร้อมเสร็จสับพอถึงวันที่จะออกไปฮิจราตเนี่ยเอาเอาโอดให้ท่านนาบีหนึ่งตัวท่านนาบีบอกว่าอย่างไบงบิอัจเรนฉันไม่เอา ฟ, ฟรีๆฉันต้องจ่ายตังค์ให้กับให้กับอาบูบักเพือ่อเพื่ออะไรนี่เป็นการตาริรบียะขอ Allah س ب ح และ ت ع เพื่อไม่ให้ท่านนาบีนั้นมีความรู้สึกอึดอัดและลาบากใจเวลาที่คนอื่น มีบุญคุณกับท่านนะท่านท่านก็ทำอะไรไม่ได้ยะนี้ยิ่งใหญ่มากนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวกเราเวลาที่เป็นอาจารย์เวลาที่เป็นเด็กครูเอ่าเราก็เอ้ยว่อไรนะลูกศิษย์จังเขาอยากทวงบุญคุณลูกศิษย์ทวงบุญคุณลูกศิษ ย, ย์ต้องระวังมากอันนี้เป็นโรคโรคของบรรดาบรรดาคนที่ทํางานต่อไปถ้าใครเป็นครูเนี่ยเอาไปนะ <laughs> อย่าอย่าอย่ามัวแต่รอว่าเมื่อไรลูกต้องเป็นครูต้องเป็นผู้ให้นะครับอัลลอฮ์ของเรเป็นคำสั่งที่ยิ่งใหญ่มากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالىولي ربيكَ ت َ ص ْละก็จงอดทนอดทนเนี่ยเลรับบิกะอัลลอฮฺอัลไม่ใช่อดทนเฉย อดทนเพื่อ Allah ถ้าไม่เพื่ออ l l เนี่ยมันยากเหมือนกันนะสุภาษิต a l l a ในอัลกุรอานมันจะมีอยู่สองอยาอ่างเรียกว่าอดทนด้วย Allah ว่มซาบรุกอิลลาบลลการที่เราจะอดทนได้เนี่ยต้องด้วย Allah Allah ต้องช่วยให้เราอดทนเราจึงสา ม, มารถที่จะอดทนได้อดทนด้วย a ل l a เพื่อ Allah ต้องเพื่อ Allah ด้วยไม่ใช่อดทนเพื่อตําแหน่งไม่ใช่อดทนเพื่อชื่อเสียงไม่ใช่อดทนเพื่ออย่างนู้นอย่างนี้ที่เป็นผลประโยชน์ในโลกตัวเนี้ยอดทนเพื่อ Allah Subhanallah ส, สวยงามมากนะครับวาลีรับบิกัสเิรอดทนเพื่อ Allah อดทนด้วยอัลลอฮ์ในอายัดอื่นในสุรฮูดหรือเปล่านะวะ่าที่บอกว่ามาซับรูกะอิลลาบิลเละความอดทนของเจ้านี่จะไม่เกิดขึ้นสุรฮูดว่าสุรฮูดสุรฮ์นาา้ำผึละตอเลาะบอกว่าการอดทนของเจ้านี่จะไม่เกิดขึ้นนอกจากด้วยอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ไม่ช่วยรอฮุอักบาร์เราจะอดทนได้ยังไงเราไม่มีแรง ถอดละอะไรไม่ใส่ إ ي م านเข้าไปในใจของเราไมา่ฟูมฟักเราด้วยความศรัทธาด้วยอัคระที่ถูกต้องที่เรามีกับพระองค์เนี่ยเราไม่ไหวเราอยู่ในโลกดุนีย์นี้ไม่ไหวเราเผชิญแรงต่อต้านจากบรรดาคนที่ไม่รอมรับฟังการเชิญชวนของเราไม่ไหวเราแล้วเวลาที่เราต้องอเผชิญจริงๆเวลาที่เราต้องอดทนจริงเราก็ต้องอดทนเพื่อล l l a h ด้วยเอามาจาก Allah แล้วก็กลับไปหา Allah ความอดทนเนี่ยมาจาก a l ل, ل, ل, ق ل, ق ى ي ل ه นะบิลละห์อดทนด้วย a ل l a แล้วก็กลับไปหาล l l a h เราอดทนเพื่อ a l l a เราไม่ได้อดทนเพื่อสิ่งอื่นนะครับ Allah หัอักบารนะเป็นอะไรที่อเมน تفسير ข้ออัลสันีบอกว่าอิพเิศบ بصبرك وقصد به وجه الله ع ن ا. ن ا. ت ع ا. أ, ا ل การที่เราอดทนเนี่ยเราหวังผลบุญจาก a ل l a เราไม่ได้อดทนเพื่อหวังให้เกิดอะไรบางอย่างในในที่มันเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้นบางทีอันนั้นเป็นผลพวงเป็นผลพลอยได้ที่มันจะตั้งได้มาอย่างแน่นอนอยู่แล้วเราไม่จำเป็นจะต้องไปตั้งเจตนามันก็ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเราตั้งเจตนาไว้ที่อัลลอสุบฮาน้ า, าลอลลอไอที่มามาเนี่ยมันเป็นผลพวงพลอยได้โดยที่เราไม่ได้มาฟรีๆอยู่แล้วถึงเราจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ แตลัลสำหรับคนที่อดทนเขาก็จะได้มานะครับสุภานั่นะสังเกตดูก็บอกว่าปกติแล้วเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานาะตะกละเระองค์ทรงประกาศเติอินนัลลอฮะลาญูญิยอัจราลมุฮซินีนเร่อนะอัลลอฮ์ตะกละเม่ ا ลาญูคลิฟุลลอฮฺวะอเดะเวลาที่อัลตะลาสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง สัญญาต้องเป็นสัญญาแต่ปัญหาก็คือว่าเราจะอดทนเพื่อที่จะไปจะไปรอจนถึงได้รับสัญญานั้นหรือเปล่าแค่นั้นเองมีอยู่ครั้งหนึ่งอันนี้ผมฟังทักซีรมาเมื่อตอนตอนเชีย่ยมจะบอกว่าท่านนาบีเนี่ยสลลัลลอฮอัซัลลัมมีความเชื่อมั่นในสัญญาของ Allah ปกติแล้วจิบรีเนี่ยจะมาหาท่านนาบีสุลตรอสสลามใช่ไ้มครับเป็นระยะระยะบางครั้งก็มีการนัดนัดล่วงหน้าก็มีแตนะจบิบรีบอกว่าเอาจะมาวันนี้ช่วงนี้เวลานี้ท่านนาบีก็รอมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านนาบีรอเอ๊ะทำไมจิบรีบรบไม่มาสักทีจิบรี บ, บอกว่าจะมาก็ต้องมาแล้วเขาก็เดินไปเดินมาถือไม่เท้าเดินไปเดินมาในบ้าน ปไปไม่ได้ปกติจิบรีต้องมาล่ะไม่ใช่ผิดที่จิบรีแนะ่นี่คือคนที่มั่นใจในเขาเรียกว่าในคําสัญญาเพรจิบรีเป็นไปไม่ได้ที่จิบรีจะปิดสัญญาทีนี้ท่านอภิก็เลยหาสาเหตุว่าทําไมจิบรีไม่มาก็เดินไปเดินมาในห้องปรากฏว่าไปเจอตัวอะไรอยู่ใต้เตียงไปเจอลูกสุนัข ก็ตัวนั่งอยู่ใต้เตียงอ้าตามปกติแล้วเวลานี้จิบริลต้องมาแต่วันนี้ไม่มาเพราะมีอะไรอยู่ใต้เตียงแสดงว่ามันไม่ผิดที่จิบริลแน่นอนท่านนบีมั่นใจว่าจิบริลติดผิดแน่นอนไปเจอไปเจอสาเหตุอะไรฮะเจอสาเหตุเพราะปีลูกสุนัขอยู่ใต้เตียงพอเอาลูกสุนัขออกไปจิบริลก็เข้ามาได้เข้ามาจิบริลก็บอกท่านนบีว่าพวกเราบรรดามาละอิกัดจะไม่เข้าบ้านที่มีที่มีสุนัขอยู่ในบ้าน ใช่หไหมครับนี่คือพวกเราเนี่ยเวลาที่เราสัญญากับมรุโลกด้วยกันเนี่ยสิบโมงนะวันนั่งรอสิบโมงไม่มาสักทีเริ่มร้นเรเลยละเฮ้ยมันจะมาหรือเปล่าเราไม่มั่นใจในสัญญาของมรุโลกด้วยกันเราไม่อดทนละกูไปดีกว่ากูไม่รอมันะเพราะมรุโลกด้วยกันนี่เชื่อไม่ได้ แต่ถ้ากับอัลลอฮ์ س ب ح ละขอให้เชื่อครับอย่าทิ้งสบัดมันอาจจะไม่มาตอนนี้มรืนนี้แต่ถ้าอัลลอฮ์สัญญาว่ามาว่ า, วาความช่วยเหลือของพระองค์จะต้องมาเนี่ยเราต้องเช็คว่าทำไมความช่วยเหลือของพระองค์ถึงไม่มาสักทีเพราะอะไร ไม่ได้ผิดที่อัลลอฮ์แน่นอนไม่ได้ผิดที่ท่านนบีแน่นอนมันต้องมีอะไรบางอย่างที่เป็นปัจจัยอย่าเพิ่ง ท, ท, ท้อแทะอันนี้จุดสําคัญมากคนทํางานนะคนทํางานดาราวะก็ดีคนทํางานจิ h a d ก็ดีคนทํางานเพื่อสังคมก็ดีส่วนใหญ่จะมีปัญหาเขเดินไปสักระยะหนึ่งเริ่มท้อทแทะเริ่มที่จะไม่มีความอดทน มือนเรื่องราวของนบีนบีอะไรนะนบียูนุสอะลัยฮิสลาเราวียแล้วใช่หมครับอัลลฺบิุกมิรบบิกะ ولا تكن كصاحب الحوت إذناده وهو م ك ม و م ا ل l a h s u b a n a สั่งท่านนบีมูฮัมมัดว่าจงอดทนต่อการชี้ขาดของลออยาอยาเป็นเหมือนกับซอฮบิลฮูอยาเป็นเหมือนกับนบียูนุสเจ้าของปลาวาเพราะฉะนั้น ว่าเรียกอับดิกฟอสฟิรจึงเป็นคำสั่งที่ยิ่งใหญ่มากแล้วเวลาที่เราดูคำสั่งให้อดทนเนี่ยตลอดทั้งอัลกุรอานเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งพวกเรารู้จักเชคเบนเบสใช่ไหมครับเชฟเบนเบสกับเชฟ Abdullah bin Abdul Mahsin Turkey นี้ผมอ่า น, นีน่นช่ลลนี่จะ a d u l l a h bin Abdul Mahsin t u r k e นี่เป็นเลขานี่เป็นเลขาธิการเลขาธิการสันนิบาตโลกมุสลิมหรือรับติดชอบอาลาวิอิสลามีในปัจจุบันยุคหนึ่งท่านเคยเป็นอธิการมหาอัยชลัยอิามม่นัยเชลัยอิมา ม, ม, าา ม, ามนะครับเลขอิมามนี่ผมที่ผมเคยเรียนที่รียด ยุคนั้นยุคนั้นยุคสมัยที่ด็อกตอร์อิสมาอิลุฟีเป็นเป็นเป็นนักเรียนอยู่ที่ที่มหาลัยอิมามเนี่ยเชคงดุลมุสินดุลลอัลลอฮฺเป็นอัตตุรคีเนี่ยเป็นเป็นอธิการมหาอิช่อลัยมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านไปเจอเชคเบนบาสเชคเบนบาสก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างอดุลโ์รับตำแหน่งเป็นอธิการเชคองดุลลอัตตุรกีก็เหมือนกับระบาย บอกว่าเหนื่อยอยังงู้นยางนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ไหวภาระเยอะมากต้องดูแลมหาเชอะไรชเชยเบนบัสก็ลเลยจับมือมาจับมือจับมือของเชฟอโลต์ตุรกีมาแล้วก็เอานิ้วหักเขาเรียกหักนิ้วหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไมครับท่านบอกว่ายาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตรัลบอกว่ายาเอเยฮะลล์ด uh ีนอาเมนอิสบิรู วซาบรูวราบุวัตคุลาสี่สี่นิ้วละโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอดทนจงแข่งขันกันอดทนจงเขาเรียกว่าปกป้องจงรักษาที่มั่นจงรักษาจงอิสติกมะ ในอำนาจคดีในการงานที่เรารับผิดชอบเรามีอำนาจอะไรต้องทำให้เต็มที่วัตตักุลลอและจงตักกวาต่ออัลลอ์ถ้าสี่นิ้วเนี่ยทำหน้าที่ของมันครบนิ้วที่ห้าก็จะมาทต็ทีละอัลละกุมตุฟลิฮและพวกเจ้าก็จะประสบความสาเร็จจาไว้เวลาที่เราทอดแท้เอานิ้วขึ้นมหาหนิว้วอย่าอลดีนอามนุ อสบิรุวซาบิรุวราิรุวัตถุ์ลาห์ลัลักมุทฟลิฮฺฮท่อนครบพอดีานะยักสุดท้ายจากสุรษะอัลไอมรารนี่คือตัวอย่างของการที่อัลกุรอานสั่งให้เราอดทนนะหลายเรื่องความสำเร็จมันมาไม่ได้ถ้าไม่มีอดทนดูอย่างอายักนี้อดทนสองครั้งนะไม่ใช่อดทนแค่ครั้งเดียวอสบิรวซบิรไปดูเลยนะครับ อายัดสุดท้ายจากซูรา่อาอัลอิมรอหเพราะฉะนั้นเราต้ทบทวนโดยอีกทีหนึ่งนะครับนี่เป็นหลักสูตรที่ท่านนาบีสุลต่านละรับการเทรนนิ่งจากอัลลอฮ์สุลต่าละซึ่งเราเองก็ต้องได้รับการเทรนนิ่งแบบนี้ได้รับการฝึกฝนได้รับการตรียาแบบนี้เนี่เป็นนี่ น, น, นการที่อัลลอฮ์สุลต่านละสอนท่านนาบีอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าหน้าที่ในการด่าว่านี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เรา ทำโดยที่ไม่ต้องอาศัยการเรียนรู้และกัการฝึกฝนมันต้องมีการเรียนรู้ต้องมีการเตรียมต้องมีการฝึกฝนถ้าเราหวังผลที่มันดีที่สุดและอีกอย่างหนึ่งนะการดะาว่าการทำหน้าที่โดยที่ไม่ได้เรียนรู้แนวทางและวิธีการเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ทำไม่ได้แต่ว่าดะาว่าที่ไม่มีหลักการเนี่ยอาจจะส่งผลที่เป็นผลลัพธ์ในด้านลบมากกว่าที่จะเป็นผลลัพธ์ในด้าน ในด้านบวกถามว่าเราไม่มีของพวกนี้เราทำหน้าทหน้าที่ของเราได้ไหมเอาดะ ว, วาคนอื่นได้ไหมได้ไม่มีปัญหาแต่กลัวว่าแต่ ว, ว่าของเราอาจจะไม่ได้ส่งผลในด้านบวกอาจจะส่งผลตรงกันข้ามเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมตัวเหมือนที่ท่านนาบีมหฮัมมัดสุลต่านได้รับการฝึกฝนและเตรียมตัวจากอัลลอสุลตานฮตะลนะครับผ่านวาหยุของพระองค์ อันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาให้รอบคอบนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่อย่าลืมว่าการด่าวก็คืออบเวนต์ะจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากมากมันไม่ได้ยากนะถ้าเรารู้แนวรู้แนวทางมันมีช่องทางที่กว้างขวางและก็หลากหลายมากในการที่เราจะทาหน้าที่นี้แต่ว่าต้องเรียนรู้ด้วยไม่ใช่ทำโดยพละการไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยเอาสิบนะิลล่า แต่แค่นี้ก่อนนะครับอินช่าอัลลอ์เดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาดูกันว่าสิ่งที่ท่านนาบีเนื้อหาที่ท่านนาบีสุลได้พูดกับบรรดามุชริกีนมันได้รับการตอบกลับยังไท ง, ทงทั้งๆที่ท่านเตรียมพร้อมมาอย่างดีสุฮาห์นะล่ถ้าจะมองในโลกดุนยานี้คนที่เพอร์เฟคมากไปกว่าท่านนาบีุลต่านใในการทำหน้าที่ด่วาวะที่ไม่มีอีกแล้ว แต่คนที่ทำหน้าที่ได้อย่างดีที่สุดกลับได้รับการต่อต้านอย่างนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเรา Lost what Allah ให้ชี้แ T, น, นะแนวทางอย่างไงให้กับท่านในการเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านั้นเราจะได้รู้กันนะครับในส ah ุรหัลมุัิร์อินชาอัลลฮ ا ละ ل อัลลอฮ ل ى ل م صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ر ب ك ر ب العزة ت أ م ا ي, ي س ف س و ن سلام على ا ل م س ل ي ن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركات